ในวันอาทิตย์รุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่หของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะพอเรามาพบกันในช่วงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ของรายการธรรมาราปรรุลก็ตามธรรมเนียมของเรานะคะว่าดิฉันก็จะได้ มีโอกาสที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนซึ่งก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาโถประจำรายการธรรมาระบุรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแฟนรายการมากมายเจียนะคะเพราะว่าท่านจะสามารถนําเรื่องธรรมะนั้นมาชี้แจงให้เราได้รับฟังกันเรียกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ชาวบ้านเราก็ มีปัญหาอะไรก็เขียนถามกันมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่28นี้ถ้าทางว่าเราจะมี เ, เวลาในรายการค่อนข้างจะน้อยดังนั้นก็คงประมาณสัก 13-14 นาทีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำมการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตาบนดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันเลยนะคะกราบนม ก, การเจ้ า, าพระอาจารย์เจ้าขาเชญพาน สาธุเจ้าค่ะวันนี้เวลาเราน้อยนะเจ้าค่ะเพราะว่ามีเรื่องของอาเซร์วาด<ช>เจ้าค่ะซึ่งก็วันนี้นี่ก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประสบนิกรชาวไทยได้ร่วม น, น้อมกราวน้อกมกระหม่อมถวายพระพรใจมุงคลให้กับองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยา ม, มากุฎราชกุมารค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ทรงครบครอบอพระชนมพรรษาหกสิบหกสิบพรรษานะเจ้าคะซึ่งอันนี้นี่ก็อยากจะขอกราบนมัสการพระเจ้าการได้อเมตตาที่จะ กล่าวเป็นการเชิญชวนพี่น้องพระสงฆนิกรชาวไทยได้ถวายพระพรแด่พระองค์ท่านเป็นลําดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็คงจะได้ขอความเมตตาพระอาจาร ย, ย์ไพบูลเจ้าค่ะว่าในวันพระหัสบดีที่ถึงหน้านี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาละแล้วก็พอวันที่สามวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาดังนั้นก็คงจะมาคุยกันล่ะค่ะว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเราควรจ ะ, ะพี่น้องชาวพุทธเราเนี่ยมัน ความสําคัญคืออะไรแล้วเราควรจะทําอะไรบ้างเพื่ อ, ใ ห, อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองกราบมณ์เจ้าค่ะอาพาร์พานการดับแรกพูดถึงเรื่องของวันเกิดซะหน่อยหนึ่งนะคล้ายวันเกิดของใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นชาวบ้านเราหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นวันที่เราพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะ จ, จงว่าวันเกิดคุณจะต้องระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะยแต่ในความเห็นของอาจามาเองเนี่ยคือวันที่เราเกิดเนี่ยคือเราก็ใกล้ความจริงเข้าไปอีกวันหนึ่ง คือใกล้ความจริงเข้าไปอีกปีหนึ่งคือสมมุติว่าคุณเตือนใจตื่นมาวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เราใกล้ความตายเข้าไปอีกวันหนึ่งคือเข้าใจไหมคือเราเจริญเติบโตขึ้นอีกวันหนึ่งก็หมายว่าคุณใกล้ความจริงเข้าไปอีกวันหนึ่งนะความจริงของชีวิตนะเจ้าค่ะในที่นี้ก็คือว่าความตายนั่นเองไม่มีใครรอดพ้นได้แต่ถ้าเราเห็นแง่มุมนี้เนี่ยเราจะเคลายความกำหนัดในชีวิตได้คลายความยึดถือในความหนุ่มอะไรพวกนี้ไปได้ คือตรงนี้เราพยายามที่จะให้วันเกิดของเราเนี่ยเป็นวันเกิดแห่งธรรมะไงนะเกิดธรรมะ <Okay. S 1> ขึ้นในจิตในใจของเราก็าคือคนจะเกิดธรรมะได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเห็นทุกข์คือเห็นธรรมใช่ไหมทีนี้ว่า <Okay. S 1> เราก็แหมในสังคมโลกปัจจุบันเขาสมมุติเรื่องวันเกิดการเกิดเนี่ยเป็นเรื่องของมีความสุขใช่ไหมทีนี้ว่าเราจะมองแง่มุมไหนให้มันเป็นความทุกข์ดีให้มันเป็นสิ่งที่จะเป็นธรรมะใช่ไหมทีนี้พอเรามองว่าเออวันเกิดนะทําให้เราสามารถเกิดความรู้ ในเรื่องของการเกิดได้อย่างาลึกซึ้งแงม่มุมมีโทษของมันคืออะไรเหตุมันมาจากอะไรถ้าเรารู้ลักษณะนี้จะเป็นผู้รอบรู้เรื่องการเกิดได้พอเรารอบรู้เรื่องการเกิดของเราแล้วอ่ะแม้เราจะทำที่สุดแห่งทุก์ได้เลยคือคือคำว่ารอบรู้เรื่องการเกิดนี่นะคุณเดินใจก็คือการเกิดเกิดมาจากอะไรเราต้องรู้ผู้เชีาก็บอกว่ า, ามีภพไงมีภพจึงมีการเกิดเอาแล้วการเกิดทให้เกิดผล อ, อะไร อา้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่เจ็บตายความทุกข์ความอะไรตามมาหมดอ้วแล้ววิธีทําให้พ้นจากการเกิดมีไหมผู้รู้ชาพูดถึงอริยามรรคมีองคแปอย่างเงี้ยคือถ้าเรามารู้เรื่องของการเกิดโดยนยัยยะของอริยสัจสการเกิดของเราเนี่ยจะมีผลทําให้เรารู้ธรรมะได้อันนี้ดีมากๆเลยจุ๊กค่ะทีนี้มาถึงประเด็นถัดไปที่คุณตนใจได้กล่าวไว้เมื่อสักครูค่เกี่ยวเรื่องของการเข้ารรษ า, าจุา๊กค่ะการเข้าภรษาก็คือ ในสมัยปัจจุบันเราเนี่ยก็เอาวันเข้าพรรษาคือวันที่ถัดจากวันอาสารหบูชานะจ้าเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยจะอยู่จําปรรษานะคำว่าจำพรรษานี่ก็หมายความว่าเราจะอยู่เป็นที่นะคือสมาทานว่าจะอยู่ที่นี้ตลอดในเวลา3เดือนถัดจากนี้ก็จริงๆพระสงฆ์โดยทั่วไปเนี่ยพระบรุตรเจ้าก็ให้อยู่เป็นที่อยู่แล้วนะคือไม่ได้ให้เที่ยวไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่มีจุดหมาย แต่ได้ตรัสถึงอนุสงของความอยู่เป็นที่อยู่หลายอย่างมากเลยเพราะฉนั้นจริงๆเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยอยู่เป็นที่อยู่แล้วแต่ทีนี้ในเรื่องของสามเดือนนั้นเนี่ยก็เป็นสมเดือนที่เฉพาะเจอดจงว่าให้ให้มีการอยู่ก็เรียกว่าไม่ไปไหนนะเหตุปรารภมาจากการที่ไปเหยียบข้าวของชาวบ้านชาวนาพวกเนี้ยก็เลยตั้งแต่สมัยนู้นพระพิจาได้บััญญติว่าเอานันต์เธอก็อยู่เป็นที่แล้วกันไม่ต้องเดินทางในช่วงนี้น ทีนี้พอมีเหตุจําเป็นประสงค์ก็เลยมีปัญหาเดือดร้อนกันเลยพู้เช้าก็เลยมีข้อเรียกว่าอนุญาตนะนในกรณีที่ว่าพ่อป่วยแม่ป่วยนะหรือว่ามีทูตมาเชิญนะมีความสําคัญเราจะไปก็ได้ไม่เกิน7วันพวกนี้ทีนี้ว่าถ้าขาดพรรษาแล้วก็คือว่าถือว่าเป็นอาบัตนะิเป็นความผิดที่เล็กน้อยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะเป็นความผิดชนิดที่เรียกว่าลงอาบัติได้ธรรมดาค่ะอย่างไรก็ตามเป็นช่วงเวลาที่ พระสงค์จะมีข้อสมาทานข้อปฏิบัติที่เข้มงวดขึ้นไปที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นเอง <Okay. S 1> นะคืออย่างที่วัดป่ารันไนโซหรือว่าหมู่ภิกษุที่เขาเรียกว่าสายพระป่าเนี่ยนะเขาก็จะมีการสมาทานข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเช่นวัตธุดองค์าวัดบ้างหรือว่าบางคนบางรูปเนี่ยสมาทานที่ว่าไม่ฉันอาหารอื่นนอกจากอาหารที่อยู่ในบาศนะอาหารที่เขา มาอื่นๆเนี่ยจะไม่รับเป็นต้นบางรูปบางท่านบางองค์ก็ไม่นอนนะถือรียบท3ยืนเดินนั่งอย่างเงี้ยก็มีนะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าจะปราลบความเพียรอย่างเต็มที่นะเพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างดีดีนี่หมายความว่าถ้าในทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันก็ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะมีฝนตกบ้างมันก็ยังก็ยังดีอ่ะยังดีกว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปอ่ะนะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นตรงเนี้อาตมาก็เลยจะอาศัยเป็นเหตุปัจจัยที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังเนี่ยในการปฏิบัติธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เราเราอยากจะยังไม่เคยทำนั่นคืออย่างสสใช่ไหมคุณตนใจที่เขานิยมมารณรงค์ที่ว่าไม่ดื่มเหล้าเข้าพรรษาอะไรเนี่ยนะโจ้ค่ะอ่าแล้วก็มีการรณรงค์อื่นๆอีกในช่วงเข้าพรรษาเช่นว่าไม่ทําผิดศีลอื่นๆอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ทําอย่างนั้นบ้าง นะคือเราทําข้อปฏิบัติอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมันเข้มงวดขึ้นมาที่มันจะดีกับตัวเรานะอันนี้พระเจ้าก็ได้เคยพูดไว้ถึง4อย่างในะอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าอะไรทีเ่เรายังไม่เคยทําแล้วถ้าทําแล้วมันจะดนะีอันนี้เอามาทําได้อันนี้อันที่1ที่เรา <c oughs> ยังไม่เคยทําแล้วทําแล้วมันจะดีนะ เ, เช่นว่าบางคนไม่เคยนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบเลยชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่เคยฉันไม่เคยนั่งเลยด้วยซ้ําเอองั้นเราขอนั่งสักวันละ ครึ่งชั่วโมงทุกวันในช่วงกัาปัญษาอ่ะ น, นี้คุณทําได้นะอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วที่เราทําแล้วมันจะดีอันนี้เราทําได้นี้คือทางเลือกที่หนึ่งเนะหรือว่าทางเลือกที่สองอะไรที่เราทําอยู่แล้วแหมแล้วถ้าทํามันยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเนี่ยเรามันจะยิ่งดีกับชีวิตของเราหนะึ่งเช่นว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอาหารได้นะเช่นฉันกินแค่สามือ้อมื้อหนึ่งฉันกินเท่านี้จานเดียวละพอนะแต่ว่าบางทีมันมันควบคุมไม่ได้ เอางี้ล้กันฉันจะทําตรงนี้ให้มันยิ่งยวดขึ้นไปนะคือเอาเป๊ะๆเท่านี้นะจะไม่มีมื้อไหนใน3เดือนนี้เลยที่จะไม่เกินตามที่ตั้งใจเอาไว้อย่างนี้เปน็นต้นคือทําแล้วแต่ว่ายังไม่ดีนะเอามาทําให้มันครบถ้วนขึ้นมาอันนี้อันที่สองโค่ะเออส่วนอันที่สมก็คืออะไรที่เราที่เราทําอยู่เนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยนะที่เราทําอยู่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเราจะเลิกทำนะเช่นดูมเล่าหรือสุ บ, บรี่ ในช่วงสมเดือนนี้จะไม่ดื่มแล้วจะไม่สูบบุหรี่เลยคือทําแล้วมันไม่ดีนะแล้วเราต้องการจะเลิกทําถ้าเลิกทําแล้วมันจะดีกับเราอันนี้เป็นทางเลือกที่สามที่คุณทําได้จุค่นะหรือว่าทางเลือกที่4นะี่เช่นว่าไอ้สิ่งที่เร า, เาไม่เคยทํำมาเลยนะไม่เคยทํามาเลยไอ้ความไม่ดีเช่นว่าค่าคนอย่างเงี้ยฉันไม่เคยค่าคนเลยนะทีนี้เราก็พยายามที่จะละเว้นจากตรงนี้อันนี้อาจจะง่ายที่สุดนะสําหรับบางคนจุค่ะ อ, อย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะ ดูเอาในสี่อย่างนี้อันไหนที่เราทําได้นะอันไหนที่เราจะเลือกอันไหนมาทำนะถ้าใ้ดีก็มีสี่ข้อไปเลยอย่างที่บอกนะคือน้อยเรามี3มอุปนิสัยที่เราพยายามที่จะทําให้มันดีคือละสิ่งที่มีอยู่ที่เรายังละไม่ได้เนี่ยละให้มันสิ้นสุดไปซะหรือว่าสิ่งไหนที่เราทําได้แล้วแต่ยังทําไม่ได้เต็มที่นะเราทําให้มันดีซะหรือว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยทําเลยแล้วมันจะดีกับเราเนี่ย เราทำซะมาเริ่มทําซะอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็น<จ>การสมาทานจะเป็นการที่ตั้งจิตของเราให้ให้อยู่ในระบบระเบียบได้คุณตัใจเราจะเราจะดีขึ้นมาในช่วงสามเดือนสามเดือนนี่นะมันเป็นนิสัยไปเลยนะเออจ้าค่ะเอาแค่เดือนสองเดือนคุณทําอย่างต่อเนื่องทุกวันเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยที่จะเป็นพื้นฐานให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยทันทีด้วยเจ้าค่ะ คือหมายถึงว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงๆอย่างที่พระอาจารย์ไพบุญว่านะเจ้าคะ่ะหลังจาก3เดือนไปแม้แต่ออกพรรษาในเดือนตุลาคมวันที่30แล้วเนี่ยตรงนั้นสิ่งที่ดีๆที่เราทำเนี่ยก็อาจจะติดเป็นนิสัยที่เราจะทํามีใจที่จะทําต่อไปโดยที่ไม่ต้องเป็นเข้าวพรรษาอีกหลายครั้งถูกไหมเ จ, จ้าคะคือถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะค่อยมาพิจารณาครั้งหนึ่งก็ได้เอาตอนเนี้ยฉันขอสามเดือนก่อนคือ บ, บางคนถ้าทำชิพทั้งชีวิตนี่อาจจะรับไม่ไหวเอาแค่3เดือนคุณทดลองดูก่อน ค, คือนี่เป็นกุศลบายเพราะว่าสามเดือนเนี่ยมันเป็นทําให้จิตของเราเนี่ยมันทําเป็นนิสัยละมันจะสบายละเจ้าค่ะเจ <ละ S 2> ้าค่ะเมื่ออย่างเราตั้งจิตนะเจ้าค่ะว่าในสมเดือนนี้ยหลายคนก็จะบอกว่าจะทานเจจะไม่เบียดเบียนสัตว์ชีวิตสัตว์อื่นนะเจ้าค่ะ ใ, ใก็คือไม่ไม่ทานเป็นเป็นมังสวิรัติอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ดีนะเจ้าค่ะใช่ใแต่ทีนี้มีประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางทีอาจจะต้องคุยกันนานนะเจ้าค่ะก็คือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยจะตั้้งจิตไว ช่วงข้าพันศานี่จะไม่ทำอย่างนู้อย่างนี้จะอดเล่าจะอย่าอะไรต่างๆนานานะเจ้าคะ่ะแต่ปรากฏว่า <laughs> ทําไม่ได้เจ <c oughs> ค่ะตั้งแล้วทําไม่ได้ตรงเนี้เจ้าคะ่ะต้องฟังจากพระอาจารย์ว่าทําไมมันถึงเป็นเหตุเป็นอย่างงันแล้วเราทํายังไงเราถึงจะต่อต้านไอ้สิ่งที่มันเป็นเหมือนกิเลสเข้ามาผัสสะเนี่ยทําให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ในความตั้งใจเราได้เจ้าค่ะ <c oughs> พระอาจารย์เจ้าค่ะได้อันนี้เรามาคุยตอนต่อไปได้อยู่เรื่องนี้เจ้าค่ะ ทีนี้สําหรับในวันนี้ก็อยากจะขอให้พระอาจารย์นะเจา้าค่ะเนื่องจากเรามีเวลาแค่เหลืออีกประมาณสักนาทีกว่าๆ ก, าก็ขอกราบนวัตสกาลพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโ น, โนได้ฝากแง่คิดไว้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะในโอกาสที่เรากําลังจะถึงวันมาคาาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในวันที่2กับ3ที่จะถึงในอาทิตย์หน้านี้แล้วนะเจา้าค่ะแล้วพรุ่งมีเช้าเราค่อยมาคุยเรื่องของวันอาสาร บ, บูชากัน<ด>ให้เต็มที่เลยเจา้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็ต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังนะลองคิดดูเอากระดาษมาแผ่นหนึ่ง นัจดลงไปเลยแล้วนี้ใส่สอย่างอะไรที่ได้พูดมาสักครู่นี้อะไรที่เรายังไม่เคยทําที่ทำแล้วมันจะดีเกี่ยนมาสักสาสี่ข้ออะไรที่ทําอยู่แล้วมันดีเนี่ยที่เรายังทําไม่เรียบร้อยเกี่ยนมาสักสามสข้ออะไรที่เราที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เรายังทําอยู่เกี่ยนมาสัก2อสข้ออะไรเป็นข้อที่ไม่ดีที่เราไม่เคยทําเลยเกียนมาสัก2 3ข้อนะเราเลือกเอามาอย่างละอันละอันละอันนะทำจิตของเราให้อยู่ตั้งใจสมาทานไว้อย่างดีที่สุดเลยว่าในช่วง3ามเดือนนี้ฉันจะทําชีวิตฉันจะดีขึ้น วิธีการการแก้ปัญหาต่างๆตรงนี้เราจะมาคุยกันในในสัปดาห์ต่อไปได้ขอให้ตั้งใจไว้ก่อนแเราจะมีวิธีการคอยที่จะประคับประคองจิตคนท่านผู้ฟังให้ให้ผ่านพ้นในช่วงปัญสานี้ไปได้เจ้าค่ะก็ ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโดได้แนะนํากันต่อไปนะเจ้าคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะท่านผู้ฟังคขาก็คงจะต้องพาท่านผู้ฟังกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโเพียงแค่นี้เนื่องจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้มีอาสีอรวาดถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารในวารุกาธมหามงคลที่วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชปประนมพรรษา5รอบหรือ60พรรษาของพระองค์ท่านนะคะสําหรับเจ้าวันนี้ขอกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ